วันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมที่วัดนาขามสังกลีอำเภอสังคมงานครอบรอบหลวงปู่เหรียญวรราโพี่แด่ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านเลก ท่านมาจัดที่วัดของท่านแต่ส่วนวัดรรนิบัณฑ์พศก็คงจะจัดตามปกติอันนี้ก็ท่านเป็นสิสร็์ท่านก็เอามาจัดเพื่อราลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ก็เมื่อคืนนึกยซื่อบ่าคนเยอะอยู่นะศรัทธา ญ, ญาติโยมพระเยอะเมื่อคืนเี่หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมกลับมาถึงวัดก็เกือบสีทุ่ม แต่เมื่อคืนขณะที่กำลังจะเทศก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนกันนะฝนตกคนก็แตกหือไปในระดับหนึ่งแต่ก็ยังคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ยังนั่งฟังเต็มเต็นอยู่เมื่อคืนเลยจนกว่าจะแสดงธรรมจบแต่เมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ได้แสดงแนว ทางสำหรับคู่บาอาจารย์พาดำเนินแล้วมเน้นหนักเรื่องสินเรื่องสินหข้อที่สามเมื่อคืนนี้ถ้าหาว่าใครฟังเฟซบุ๊กของหลวงพ่อก็คงจะรู้ได้ว่านี่แต่ก่อนหลวงพ่อก็เคยพูดใน MP3 สแต่ก็มาคราวนี้ก็มาพูดอีกรอบหนึ่งขยายผล <c oughs> ให้พวกลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ถึงอย่างไรเมื่อกี้นี่หลวงพ่อได้ถามพระป่วยหลูกจิตของพระที่ไปจากวัดของเราเนะี่ยบวชที่วัดของเราไปอยู่กับท่านจันหน่อยที่ห้วยส่วกจําปัรษาที่นั่น ทราบว่าท่านป่วยไม่สบายเดี๋ยวนี้นอนโรงพยาบาลศูนย์อุดรเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับม้ามม้ามโตม้ามใหญ่ลักษณะอย่างนั้นน่ะเกี่ยวกับตับด้วยหลายอย่างเหลือเกินแต่พระยังหนุ่มน้อยอยู่นะยังหนุ่มอยู่ยังพระยังไม่มากอาอยุพรรษาไม่มากแต่หลุงพ่อไปงานเจ้าคณะจัังหวดจังหวัดเลย หลวงพ่อก็มาแวะวัดท่านหน่อยห้วยซ่วงหลวงพ่อลงมาจากรถก็เห็นพระที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยที่ปักไปจากวัดเราเไปเห็นเอ๊ะท่านไม่สบายไหมนี่ดูหรอไปหาหมอหรือเปล่าเนี่วะนี่หลวงพ่อนไปที่ไหนหลวงพ่อสังเกตนะอพอมาแล้วหลวงพ่อก็บอกกับท่านหน่อยดูฉัพระ ของเราไม่สบายหรือเปล่าท่านหน่อยก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเรากลับมาพอมาไม่นานป่วยพอไปเรื่องนั้นน่ะกลับไปยังที่หลวงพ่อพูดไม่ตับกระม้ามหรือพระ่านองค์นี้ พอไปตรวจจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ น, นอนโรงพยาบาลหลายวันแล้วหน่อยเพิ่งมาพูดให้ฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือการเก็บใครได้ป่วยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็อยู่แบบลืมตัวไม่เป็นไรหรอกมีแต่หลวงพ่อเท่านั้นะอา ย, อยุเจ็ดสิบ ใกล้ๆปากพญามัจจุราชนนีออพวกเราไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะ <c oughs> พญามัจจุราช เ, เดินย่องตามหลังอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวล า, <c oughs> ลวลา <c oughs> พวกเราจะชะลาใจไม่ได้ต้อ ง, องประกอบคุณงามความดีต้องสั่งสมบุญกุศล จะทำยังไงเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วให้ดำเนินตามแนวแถวปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้ภาวนาอย่าไปคิดอยู่ในโลกลนใครอยากจะได้ลาบใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้สรรเสริญอา่า อย่าไปแข่งเขาไปเลยเปิดทางให้อีกต่างหากอย่างเมื่อวานเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ได้รับบัตรสนเทมาอีกนเป็นระยะระยะมันก็แปลกเหมือนกันคนเขาพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ถ้าคล้องใจเขามาถามหลวงพ่อก็ได้มีอะไร หลวงพ่อจะได้ชี้แจงให้ฟังเหตุผลเรื่องอะไรแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่านะัะเหมือนกับหมาเห่าใบตองแห้งลักษณะอย่างงั้นะเห่าไปเรื่อยไอ้พวกประสาทถ้าเราจะว่าไปพวกประสาทย่างไงบุญเดี๋ยวก็จะโมโหมีหลายฉบับเข้ามาอีกแต่หลวงพ่อก็ว่าลักษณะอย่างงั้นแต่ แต่หลวงพ่อนี่ก็แปลกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะถ้าหางว่าใครก็ตามมีบัตรสนเทศลงมาหลวงพ่อกับอ่านไหมหลวงพ่อก็อ่านเพราะเขาเขียนมาให้อ่านใช่ไหมเพราะระบุชื่อหลวงพ่ออินถวายนะหลวงพ่อก็อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ฉีกทิ้งอ่านครั้งเดียวเท่าน่ะฉีกทิ้งไม่ให้ใครอ่านต่ออีกทำไม ทานหลวงพ่ออ่านรอบที่สองเดี๋ยวมันกระดาลุงพ่ออีกรอบที่สองใช่ไหมล่ะถ้าอ่านรอบที่สามกระดารอบที่สาใช่ไหมพอให้มันเขาอ่านเราอ่านรู้เรื่องรอบเดียวเท่านั้นแหะเราก็ฉีกทิ้งซะเพราะนั้นใครก็ตามนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะถ้าเขาเขียนบัตรชนเทมาแล้วล่ะอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกช้าอกช้าใจนะผลที่สุดก็เลยเป็น เส้นเลือดแตกในสมองตายอีกต่างหากได้ผลเาส่งบัตรสนเทไปในได้ผลวะ <c oughs> เขาจะว่าอย่างนั้นอีกเพราะนั้นใครส่งบัตรสนเทมาให้อ่านพอรู้เรื่องแล้วกฉีกทิ้งพออ่านมาอีกมาข้าวหน้าเนะมันเป็นมีลักษณะยบบ ก, ก่อนอย่าไปอ่านมันฉีกทิ้งเลยแบบจดหมายหลวงปู่ยาม หลวงปู่จามไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่พอไปอยู่แล้วท่นี้เพราะว่าลาแม่ท่านนแม่อยากจะให้ผมบวชเหรอเอออยากจะให้บวชถ้าลูกแต่งงานเนี่ยแม่ไม่ดีใจถ้าลูกบวชถ้าลูกบวชแม่จะดีใจมากเพราะลูกมีพ่อแม่มีลูกหลายคน เ, เขาจะเลี้ยงแม่ได้อยู่แล้วแต่ลูกเนี่ย อยากจะให้เสียสละลูกสักคนหนึ่งบวชในพระพุทธศาสนาแม่พ่อแม่จะดีใจมากถ้าลูกบวชเอออย่างนั้นเหรอคุณแม่เอาบวชก็บวช ท, ทำบวชแล้วไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่นะลูกนะไปเลยอย่างไยที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพ่อกขาแม่มีแต่อนุอุโปโมธนาเออมีสวนบุญกุศลที่ลูกได้บำเพ็ญคุณงามความดี แม่ให้ใคล้ายว่จะเกาะชายผ้าเหลืองไปด้วยนั้นน่ะให้ลูกตั้งเอาตั้งใจภาวนาก็แล้วกันไม่ต้องห่วงพ่อแม่ไม่ต้องห่วงญาติเออลงผู้จาอจากนั้นท่านบวชเสร็จแล้วก็ไปจําพรรษาทางอื่นเลยที่แรกก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไม่ถึงไปจําพรรษาที่เพชรชบูรณ์ออกจากนั้นก็ขึ้นไปเชียงใหม่เกือบสาสิปีเลย ผู้แม่เนี่ยก็เป็นห่วงได้ถึคิดถึงลูกแต่ตอนพูดตอนนั้นมันอี ก, กจิตใจอย่างหนึง่งนะแต่พอต่อมาองีงจิตใจมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมรักลูกทุกค น, นเลยถนีเวลาไม่สบายขึ้นม า, าลูกผู้ใหญ่จูงผู้ใหญ่จูงก็เป็นหลวงอาเป็นอาของหลวงพ่อนะ น้องชายพ่อใช่ไหมปู่จาก็เป็นน้องชายพ่ อ, อ, อผู้ใหญ่จูนบอกว่าเวลาแม่คุณแม่ก็เป็นแม่ชีเลยนะบวชมาตั้งแต่ลูกคนสุดท้องตายทั้งโยมยาก็บวชเลยเป็นแม่ชีเป็นเพื่อนกับคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําเป็นลูกน้องลูกน้องปุ่ดใกล้ๆ ก, กันออพอเสร็จแล้วบวชพมาแล้วก่อ น, น, นนะพออายุถึงเจ็ดวปี จะเข้าแปดสิบหลวงปู่จามไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลยตั้งแต่บวชเกือบสามสิบปีตามพู้จริงพวกเผ า, เาบ้านนอกเวลาเวลาน่ะใครข้าวนมนมของคนแก่นะมันตึงอพอตึงขึ้นมานะโอ้ลูกผู้ใดเน้สอสบายนออใครข้าวมันเป็นใครข้าวมันเป็น อาเพศอาถันแล้วเสียงบ่งบอกสำหรับลูกคนใดที่ไม่สบายเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนะนี่ยคนคนเข้าถือกันคนโบราณ น, นะเขาไม่มีวิทยุโทรศัพท์อย่างทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ถามหากันได้แต่ถอนนั้นแม่ผิดปกติขึ้นมาแล้วก็โอ้ลูกคนใดนาไม่สบายทำไมนมของแม่เนี่ตึงคล้ายๆกับลูกคงไม่สบายสักคนหนึ่งละนะ่ะ เนี่มาบนให้ผู้ใหญ่จูมฟังไงผู้ใหญ่จูมเป็นลูกชายของกุญยานะเฮ้ยสบายทุกคนแล้คุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกใหญ่แล้วนี่แะแต่นึกห่วงใครไม่ได้ก็นึกห่วงหลวงปู่จามมเนะี่พราะทุกลูกทุกคนมามันพร้อมมันครบอยู่แล้วถามคนนั้นถามคนนี้ก็สบายทุกคนโอ้ยคงจะเป็นครูบาจามใช่หรือมัง้ง เ, เป็นยังไงเนาะ ใครติดต่อไปใครถามแต่หลวงปู่ยามเนี่ยถ้าพี่น้องเน่ยผู้ใหญ่จูงเป็นผู้ใหญ่บ้านเน่ยเขียนจดหมายไปอพอไปถึงแล้วก็จดหมายมัจจะไซอ่านเอานให้เนนอ่านพระอ่านอ่านเป็นจดหมายผู้ใหญ่จูงมาจากไหนมาจากห้วยทรายคำชี้เอ้ยสีเกงพอสีเก้งพอตมากพอลั่วหัวจดหมาย มาจากคำชีมุกดาหานฉีกิงคล้ายๆก็ไม่รับรู้รับทราบเลยเอย่านั้เลยหลวงปู่จามบอกว่าแม่บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงมีลูกหลายคนนะเพราะฉะนั้นสุเจ้าห่วงข่าทําไมเข้าเอาเป็นนักพจนักบวชเป็นอิสระแล้วไม่ต้องห่วงนี่แหละแนวปฏิปทาของหลวงปู่จาม หลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยถึงขนาดนั้นแหะท่านไม่ห่วงบ้านแต่ท่านภาวนาของท่านถึงอยโอ้อานุษีในประวัติของท่าน เ, าเดินทางน่ยจนแลบทบแทดล้มแทบตายาบินเทาบาทอยู่ในเผาเขาเขาไม่ใส่บาทให้เดินเดินจนจะเป็นลมเลยเป็นลมสลบไปมันเหนื่อยมากอาพอสลบไปแล้วถึง เหมือนกับมีอะไรฉันว่าเหมือนกับเทวด า, เ, าเทวดามาแล้วกับโอ้ท่านเ้ต้องสู้ไปอีกสักหน่อยนะอีกไม่นานหรอกถึงบ้านคนหรอกอแต่ต้องลุกสู้เดิน อ, อย่าไปนอนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ถึงนะต้องต้องไป เ, เทวดาก็เลยเป่าเข้าหู่าน เทวดาเป่าลมเข้าหูกันนะเออเป่าเข้าไปเป่าเข้าหูรู้สึกเวียนเย็นว่าทันว่านะเออฟื้นขึ้นมานะไงคล้ายว่าฟื้นว่าเดินต่ออีกจนไปถึงบ้านเขาจนพูดเสียงไม่ออกนะ <c oughs> เดินจิตสามวันไม่ได้ทานอาหารนะมันเดินขึ้นเขาลงเขามันเหนื่อยนะเนี่ยแหละชีวิตของหลวงปู่ยามไม่ใช่ธรรมดานะชีวิตตักพดตักบวช ถึงขาวมีมันก็มีถึงขาวจนมันกน็จนยิ่งกว่าอะไรอีก น, ะนี่นะอันนี้ก็พูดให้ฟังสรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญจะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิด ไม่ใช่ว่าเราจะมาแยกลาบแยงยศกันคนนั้นได้ลาบคนนั้นได้ยศคนนั้นได้สรรเสริญเอเราได้ได้เราได้ไดไไดอะไรเห็นไปองค์หลวงตาของเราเออในยุคปัจจุบันแต่เราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าเนะี่ท่านลาบยศสรรเสริญขนาดนั้นสมัยนั้นจะขนาดไหนแต่เราเห็นของหลวงตาเนี่ยก็เถอะออของหลวงตาเนี่กันะมากมายมหาศาล ที่เราเห็นร า, ราบยศชนเสริญกับองค์ลงตาและลงตาเป็นยังไงลงตาทิ้งทั้งหมดลงตา อ, าอะไรไปได้ไปด้วยได้ไม่ได้ท่านก็ไม่เอาอีกต่างหากท่านก็ทิ้งเพราะนั้นเราทัางหลา ย, ยจะไปแย่งกันกินกินเลดของท่านทำไมทำไมไม่เอาทำ ต้องการทําไมลาบยศจันรเสริญได้อะไร อ, อท่านก็ยังทิ้งมาจนพอเป็นทอดทอดมาแล้วออพวกเราจะต้องการอะไรอีกพอเป็นพอไปอย่างส ม, มณะ เ, ออเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ภาวนาที่จะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารออถึงแดนพระนิพพานได้ไง่ายๆถึงแดนพระนิพพานเท่านั้นเพียงพอแล้ว จะไปมุ่งหวังอะไรขาดเหลืออะไรต้องการอะไรอยากจะให้คนยกย่องนับหน้าถือตาอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะถูกหวังนอกหวังนอกหวังลมลมแรงๆงมันได้อะไรทางว่าหวังมรรคผลนิพพานะในตามแนวรรอริยะประเพเนอริยปเพณีคือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้ท่านหวังทางพ้นทุกข์อันนั้นแะเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะนั้นพวกเรา呐นะศรัทธาญาติโยมพระเนรทุกองใครว่าอยู่ดีกินดีพญามัจจุราชจะห่างเหินไม่ใช่นะย่องเดินย่องตามหลังอยู่กับพวกเราทุกก้านะเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราปรับไปเดี๋ยวนี้นะ เราจะไปไหนวะถามตัวเองไว้อยู่เสมอถ้าข้าตายเดียเ๋ยวนี้ข้าจะไปอยู่ไหนวะจะไปสวรรค์ชั้นไหนวะจิตใจของเราข้่องแวกกับเรื่องอะไรวะข้าพเจ้าจะไปตกนรกหลุมไหนวะหรือข้าพะไปจะข้าพเจ้าจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหนวะหรือข้าพเจ้าจะไปสู่พรหมแน่ให้ดูดูตรวจตราดูตนเองไว้อยู่เสมอนั่นแหละ จึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อนื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร